เพราะญาตโยมบางท่านบางองค์กสิวิจาร์บางท่านบางคนพระเทาเน้นเทากสิวิจารแค่สหามพระไหิจารมัสหามบัได้ความมีชิดมีิิดที่วิจาร่วนที่พิชี่ถือนแนวกระแจพระถ้ำที่เป็นพุทชินไม่หัน ม, มาแล่วว่านทน เป็นยังสามัยมักสางมักแปลงแทะอันนี้คอหนึ่งคอที่สองเลีย้ยงสามาเฮ็ดย้ำนี้คอที่สามเมืองพ่อวามีเบามันพออยู่พอกินพอภาวนาหละตัวไผ่มากอเอากดมานำ้ำเอาลังมานำ้ำ ปอยหายใจหยาดเโยมกับปอได้อยู่น้ำหลวงปูหมันมื่อนี่ไผ่หยากระไผ่มัดหวัดอ่ะหยดหยาดโยมาเต็มวัดกับไพ่มัดหวัดโตของพนก็ลองไผ่อยากห้มันแล้วไหวอยากหยมัน ง, นงันวัดงันว่าหนานี่นา ขโมกข้าราชเพื่นกระแตงไปดูแลอาการกอส่างนั่งวิสาขาปอยข้าเห็ดก็บาถือกับควอมประสงค์ของพเจ้าประสงค์ข้าราควัต่างบไัไดกุตีขวัต่างวันไหนยังวันไหนขโมกข้าราชไปเบิงงเบ้งแต่ว่าคือชุดทางไลยกับเบิ้งนำขจอ ซู้ผู้ทําการก็สัางอยู่เมื่อจากนี้ไปทางอื่นเอาสินี้ไปซื้ออยู่อันไหนเข้ามาทรงาเสียเมดอันไหนอยู่บนไหอันไหนอยู่บนไหนข้าบ่มมีผู้ยู่หันบอกเขาไม่ย่าไว้จะกก่อนพนช่างมาเม็ดพระพุทธเจ้าอยู่บนเชียงจักบอน ทังกอส่างเนี่ไม่อไผมักจะข้นนอกมาปฏิบัติกับมาทานสํารับโตข้าวนดินขิดหยามานัานแล้วนอนมัดขึ้นหอยเมือเศร้านอนจะแข่งทางขั้วยุ่ผู้ผู้เดียวกัไในนอนแต่หาทาบ่เห็นว่ามันเสียมาอายุสนุกสุขสบายจังสมือินี่ทุกมาพอแห้งแล้วข้อ น, นำคนผู้คนเขาเนี่ก็สิบสองปีนี่ เหตุไหนจึงว่าทํำย่ามนี้นี่หเฮ้าเฮ็ดอันไหนมันว่ามันแล่วมือหนึ่งมือเดียวเข้าก็อาศัยหย่านโยมอีกเนื้นโมในี่ว่างนี่มันก็ว่างอยู่ได้จักน้อยนี่ขอนึง เพราะว่ามอหันเนี่ยเอาเข่าเอาปลาดับหน้าแล้วไม่ไหมก็ไม่ร่งสีดวนเอาปอเดี๋ยวนี้มันก็ะทับมาจ้าน้อยกับฮะตอขาากข่าเจ้าน้อยกับเกี้ยวเกี้ยวข่ากู่เข่าเอาเข่าขึ้นเหล่าขึ้นล้านเอาเฟื่องไถสวนมัน่นว่ามันขึ้นแท้ใจโตผู้เดียวขึ้นใช้ใจงานโนมสารพัด การก่อสร้างเป็นหน้าที่ของงาโนโยมก็จริงก็เป็นหน้าที่ของพระสิดูแลน้ำคือกันนี่แต่พอออกกองละ่ะหู้จักเข้าเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่มากสร้างมากแปลงขั ญ, ญาติโยมลือกเต่าเห็นยางขืนเพิ่นก็บเงน้ำอยู่นั่นนี่เพิ่นมาบันพะคุณน้าไม่ใช่พระกรรมกรพอให้พอหน้า คัาว่าพ้นม่เดินโยกรมเพราะมาหน้าพร่านตื่นเม่อท่านพ้นส่นี้ทุ่มหาทุ่มเหมือนพ้นจังรับทุกทุ่มพุน่นพ่ะองกองเงี้ยมาเศ้าพุน่นตีสามตีสีเมืนจะพ้นนอนย่ำไหนพระท่านจะพ่นพักย่ำไหนพระท่านแม่แค่มันม้อนี่มายู่นีัวนางปานีน หลวงปูป่บอจักว่ารับย่ำอนอ น, นยน่ำอะจับพิรุบรร่ได้กรสันขันบ่เฮ็ดย่มนี่ฉันรับผู้น้อยนี่บ่ได้หนึ่งแผ่นดินมันแข็งพอสถานที่มันจะคุดจะ ก, กึงหนินสถานที่มันด้คุดกับไปเป็นเนียนึง ลงไปปากใต้ไปจมไฮหลวงพูเทศหลวงพูเทศใ ห, ให้โอ้ยลงมาผ้ามาสาวมาแปลงมาสันโอ้ยไปสัญจ้างเขากะหั่งเป็น ห, ห่ออันละเบิงน้ำนมาสันเป็นวันเิ่นแห่งสลาดว่าหลวงพูเทศห่อเ บ, า, า, บาเบิงน้ำที่เปลี่ยนบ่ออันได้ก็ไดายรําทาเป็นพลหันโยห์นสีดายไปสันเป็นวันผมก็บม่อยาเกเห็ดดอก ขวัสรณมูชิมอยูุนั ch, ้นผมให้ยั้งขัสพวัลครนี้แต่ผมพูดที่เอาพบกับเจ้เฮตบอกขวัสพัลบมาหักมาหนีวันทก็ตับล่างเดียวผมกอยูตัวขวัสเฮอันไหนกัยังนิยมเป็นหัวหน้าอยู่นี่วขวัสรณ์ซัสินมาไหนมาจากไซก็เลยมาจากงาบจากงมจากพระเจ้าพระสงฆ์จากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของเก่าตัวขวัสรณ์ไม่น้องเฮ้าเบาวัสรก์เฮตบูทราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของเก่าตัว ป้าให้ไปภาวนาและบ่เห็นภาวนาเ น, นาี่ยได้สพนพลว่าประามีการไม่งานมากทำท่าเคียงขืนอสันพนวเมื่อเนี้ยโมมีการมีงานมานอนตายอยู่เบ็ดมือเบ็ดเว้นไอ้สันซีหงษ์ซีตามากมาหาขินบะคำบ่อมไอ้สันพลวันทำทาเป็นพลหันมากไอ้ส่นโตกับเงปักโตก็ได้บเมี น, นขอ้อเิดเบดอกันได้วา ใครมันเกินข้อตาเ้าข้อต่องของเจ้าพรอมาการสร้างการเปลงโบดหนึง่งโมเห็ดเป็นอันขาดเจดีหนึง่งโมเห็ดเป็นอันขาดเป็นเรื่องง่ายก็นี่อโคนน่คืดเมืของมายโมายโ น, น, นี่ยี่สิบแปดปีทีติดกันนี่มีวันข้างกระดูกเท่านี้ลหละพ่นหอยวัดพ่นวัดแล้วอันนี้ล็อกปูดี มาเรมานอนยกุฏีจมว่าห้อทางห้างแปลงมาสันมันว่ามันดีมันกลับไปนอนยกห้องใหมตีต่อโบผู้่าว่านอนไหนจะขึ้นนอนห้องใหม่าสันนอนไหนจะยามแหลงแลยน้ำฝนเพิ่กับบรรยัตไทมีบานปักตูพิ่เปิดเขาออกนี่ข่างพระุทธิเ้าเขามุ่งกระเบื้อง เขามุ่งแพนแก้วหุ่นตัววัสดุเขาหางเขาไม่เลยนนาวิสาขาสั่งมัดจับซีซิบหาโกดผุนโอซิบเก่าโกดผลนหน้าท้าบินดีนั่นสั่งกระเป๋าเดียวกับมัดซีซิบหาโกดเจ้าที่ประมาณข้างพุทธกาหบอกว่าเจ้าจะไปเห็นนาเดียวบอก ล็อกปูจามเพิ่นผ่าเลืองเล้ยงผ่ามันบกขาดเพิ่นเอามาเส็จตีนนางสาวพระว่าหายโอ้ยคบมาลูกเพิ่นผาเดีมันดีพ่อดอกพ่นีวจะเช็ดเพ่นมื่อดีเพิ่นขังพระเจ้าเขเอผ่าพบไม้พรเช็ดก็มีตัวสับางวัดสั เขากลับมาว่าให้หลวงปู่ศีขาาึ้นกันข้างหลอกขวนอย่งนี่เขาเลยขับหน้าปลินยาหลวงปู่ศีเป็นี่มาสา้างหลายเถะเหมือนกันหลายหลายล้านกระหังเม่นนี่ยแลก็สําคัญเป็นทรัพย์ของหลวงปู่ศรีสําคัญมาทรัพย์ในใจลูกกระทาเป็นหอมพระพุทธเจ้าเมือเ่อเพื่น ความขี่หงมันกรบไม่เหรอห้องเฮ็ดที่สมัอเนี่ยเขากอว่ามันทับยของห้เฮ็บริสันว่ะเรื่อเก้าของเพื่นนี้ว่ะเงินบาทหนึ่งมาจากไส่มมาจากพระพุทธศาสนาจัวรวะมันยอมออมาให้กัมาจากพระพุทธศาสนาจัว่ินั่นมันมีมาขันโมเฮ็ดแด่มกับกระไดข้าเอามาให้เขาออกมาให้พระพุทธศาสนาเด้ผมไม่ใช่ห้องปแตงมได้เดว่ะสตัระวังสิบาทหนึ่งสองบาทก็ไดว่ะ ก็ไม่ห้าจะไปให้สื่อให้สื่อหน้าเรียว่าสักสทราบในตจโลกธาตุทราบของพระสมณะพระพุทธเจ้าเมดเอพระพุทธเจ้าซีจำพวกพึ่งกระลาไปเมือ่อผลทอดสะพานมาให้มูเฮาปฏิบัติขันปฏิบัติอันไหนเพื่อมาผลในพลานปัญหามันกะระเหลายถ้าพุทธเจ้าเกิดเป็นชาสติกระเต ทีตั้งขันตีเปอมีตั้งข้อมเพียรเอาหางไปวิทน้ามหาสมทุทรทะเลชิวให้สามาถ์ช่ให้มันแหงเพราะนี่ไกลบก็ควอมสามาถม่เห่าไไก่การบันฝ่าครับดินวิทได้แหละบล็อกไล่ลงของเกา่าหันของคู่กับปะป่านค้มเพียรควอมขยันควมโสเปีนตายจนไปนัน่ะ เขาเปลี่ยนโชติใจนะพุทธศาสนาขันพระหลายญาติโยมมาก็ ม, ากมาา้านำพระบ่ม่าญาติโยมบ่หม่านำพระเฉยไปยูน่นผีบ่นี่ปัญหาของมันไผ่ามากเอากลนมานํามไผ่มากเอาเกาหูดักมานั่ขีเส้นลำเดินวัดมุ่นบ่ขันมวยบดขี่มวยบดกลินบดขี มันจะไปท่านบังคับได้คื อ, อยังไงย่มแรงยังมาคุดบุงเม้นี่คำว่าจักสามแสนผลเขาไม่ผู้รับเลยเศตามกระละเทศาะและสังคมของไผของมันสังคมผู้ดินเที่ยง ก็เป็นแนวนึงทังคมผู้ยุพผู้ยุเขาหาเส้ากินเย็นก็เป็นแนวนึงนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ฟังยูนี่ฟังยแล้วเติบได้เกือบเบียดหนึ่งคนนี่นี่เขาพุดใจข่านะนี่เอามาัมาเบิงด้วยมุปกรรมของไฟายองมันถือาว้ท า, างไหนนี่ หรือมันเห่ามาบักชี้นงขายอยู่นี่กบประจักรไงตะกี้นั่งนั่ง น, นั่ง น, นั่ง น, นั่งเอาเสืงหมมาเบิ้งเสื่อหม อ, อยู่หันมุกประจำห้องพัห้อง ม, า, มากห้องมากกินปลากรังปูหินอยู่นี่กบปจักสังคมหมูห่ามันสังคมหาเสากินเหลยนยสังคมขาสังคมขอม ค่นหน้ามัติภูนทิพย์สองปีกับุู้ปร ะ, ประกาศของพระของมัน ไม่เข้าสือเห็ดยังทำยังนนเนี่ยว่ามันเข้าสืเอาปีเดียวเอามันพอได้เก็บผันเก็บนี่ขอรอใค่ไหนเลยคือเบิ่งเขาเห็ดเถื่อนเนาะปีนึ่งในเสากับปีหนึ่งในเป็นเป็นพืนกับปีนึ่งในเครื่องบล็อ ก, กับปีนึ่งภายในมุ้ง มุ่งยังมหันได้สัมให้ไม่มาถอนมดแล้วพันยังโมมีเงินค่าชรางแคนี้พันไม่มีเงินค่าตะปูอันี้มันโมแม่เห่าที่นี่เราไม่เอามือเดียวได้เห็ดอี๋ยังเห็ดมือเดียวแล้วโหลดมุของแมนบอ่อันนี้เป็นปัญหาหนาคิดหนาพีาชนะคือกัน โบดโบอาลมี่ผู้ ม, มาเฮ็ดแล้วให้มือนึงก็บโบ อ, บอาลโบดแซมลรอบข้าวเป็นกรรมฐานมีขอบเขตอยู่แล้วกุตีก็บวิวะให้เกินยี่สิบล้างดอกกุตีทาว้อนด้น่นึกแต่ฝันว่าโเตเซเฮ็ดป่านนี้ดอกมูมามาตีตะกี่กุตีสามล้างอนอนัวนอได้ จะเคลอย่างดูฮะันสเสภาเร้าว่ามีม่ผู้เานี้ก็ได้ดวาสันเ อ, อ้สูบหน่อยลมบาแห้งวะสันตวราของสันคนทา่ากับกอาไว้กระสะกาไวจังดาอ่ะสั น, กกส น, สนเกิดมาไม่ไม่ใครสิไปเอาแบงเกิดไม่ไว้สันตัววนะมันพอออกกัจักเอาระบอกวะสัน ได้กร้างได้ไตโกระธาหนะห้อบถวายพระเนรพานพเมด่ชา้าเนี่ยได้ส่วนมันดีเนี่ยส่วนมันสัวส่วนห้าเฮ็ดซัวมันกับฝุ่นแล้วเป็นเมืองขึ้นของพระเทวทัตพนมเมืองขึ้นข้อมวลองหกพนเมื่อเปลีนเพื่อก็เป็ีป่นเนี่ยได้ตัวตอนนี้เ้าทําดีตอนนี้มันทําดีห้าก็อุฏิต่อพระเนรพาณพ น, นละบอ ให้ผลนทุกข์นะวัฏสงสารซะโดยดวนยังมาเที่ยวหายใจเขาออกอยู่นี่ยังเลยมาเที่ยวขนหินขนท้ายอยู่นี่ให้ผลทุกขนะ์นปัจจุบันนศาสตร์ซะมันข้นยกับเจตนาได้ของโมนิเจตนาเป็นของสาคัญ จะถือว่าเฮ็ดบูซาเลีเทเ่าไงเฮ็ดยังกรไดเดินจงกรมพรวนากรไดเดิจนจงกรมพรวนาบูชาเกลีเท่าบ่อเฮ็ดปุนี่เฮ่กรบูชาเลีเท่าบ่อกระบู ซ, า ม, บบซามาผล น, นึกพ่านบูซาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผุหลบบ่ตลอดถึงความนึกคิดไปในทางดีนึกคิดไปทางสวมันกับบูซาประเทศทัฏฐผ บูชาหมดลหกผู้มันบูชาอยู่ในตัวมันทั้งไหลไปพูดเอาเองมันไพสิอยากสางอยากเปลี่ยนากคนขึ้นเรืองพระเวไนยด้วยขัดเคงง็งบานไดท่านไปพับเกี้ยบันไดขันเห็นกุฏิหัวน่ะให้สอมแช่มเจ้กันจงนังหนีเนื้อสันตัวะพระเวไนย ห้าได้ซอมแทมบอกมิจะโตนนี้เนี่ยล้างได้ดีๆขืนอยู่ซะตัวพระพุทธเจา้านี่พักใหม่ๆสถาน18ตำบลมันเพ่มันห่างอยู่บางที่กับมีพะไปพักบางที่กับมีพะไปพัก พระเทล่าโนเทล่าทั้งหลายเขาสิดูถูกนิ่นท่าพ่ะสันพระ อ, องค์เจ้าเฮ้าเขาสู่พระนิพพานในสถาน18้แตำบลนันเพ่พังอังขายานเดียวมูเฮ้าให้ไปส่วนหนาส่วนโ่มมูลรณะเศร้าพระสนท่านก็เลยบุรณะมด18้แตำบลแล้วเซตตลอดเพชรบนทำสังข่ายาน้า ทำสัตตาบันละคู่หาข่าผู้เขาให้ผ่านบันพศบางท่านบางคนพันว่าตายละศูนย์เพราะว่ามันสลากก็เพราะพุทธเจ้าพุทธ ตายแล้วเพราะเกิดเพราะว่าค่อยเกิดเป็นมนุษย์กับเป็นมนุษย์ย้องสั่นละเพราะว่าค่อยเกิดเป็นสัตว์กัเป็นสัตว์ย้องสั่นละอันผููถือว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยกรับตาโพดว่ารลับตาว่าปวดจั๊กเสีไว้ทั้งในแล้วของพูนึงกรับตาเลี่ยเหมือนมาเฮียนวิสาสนเข็มนาผู้มืดตายเป็นจักสีว่าปวดิดเทศทั้งไนแหละตายแล้วศูนย์มีบอวิบบนี่ยังดอกเพราะว่าคุณําคนอันพูดยังสั่นเพราะคุที่เจาะกับไม่ไดเทศเอาเด้ กันสด้วยเ้าเวลาคนนวระูุที่เาจาะถึงกลุ่มเถิดตายแล้วซื้ม้เขาผที่เจาะตายแล้วเกิดไม้เขาพูที่เจาะค่อเคยเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์อยู่เมีนบอกพระองค์เจาะคยเกิดเป็นยังไงก็เป็นยังสั่นอยู่ขีดก็าอานันสีละก็เป็นนั่นจีบเป็นอื่นสี่ละก็เป็นอื่นจัตายแล้วศูน ถ้าตายแล้วเกิดอีกก็ไม่พอเกิดอีกก็มีแม่ทั้งสัตว์หพระองค์พระองค์อะไรหนึ่งเรื่องปากพระองค์จนมุ่มหมดจังเป็นทั้งสะบ่มันไม่มีมันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ทั้งผู้อธิบายไม่ได้ประโยชน์ทั้งผู้ฟังข้าวุเจ้าว่าคนตาบอดอยู่แล้วจะไปบอกสนเข็มยังไง สนวันี้สนวันี้สนมันนี้ที่ว่าท่านบอกตาปัญญามันบอดหมดเลยเหมืนอมนพระพุทธเจ้าลำเอียงพระ น, นิ่งอยู่พระพุทธเจ้าแล้วกเล่บอกปากเลยว่ากอธิบายคือพระมาลุ่งไปถามพระองค์เจ้า่ะพระองค์เจ้าบอกแก้ใน่คอหนี้คอหน่อยเท่าซิขาพระท่นบอกประสดพระองค์เจา้ากระชังล้าพระั่นบัดสีบอก ตว่บวชตัวก็ไ่ได้ตั้งสัญญาเขาเฮาเี้วะท่านขันบอกแก่ว่าตายเลยศูนตายเลยเกิดตัวคนน้อยสิว่าบวชด้ตัวกมันว่าได้ว่าว่านปมาตดูจากสิก็ชิไปซาว่านัระมาณแล้วถึงมาบอกว่าสดเศรษฐาคนเถิดวะ่นประมาพอแลเรยบว่าเทศอ่าซะอุปมาครืองเงื่อนใหญ่ๆมันจินน้ำยืดลึกๆพุ่น เล่ากำลังอะไร ห, หน่อยจะไปดึงแขนจิไปเข็นเหัวไงมาให้เกยหาดบวมาตี้ค่ะเนี่ยตัวมาคือหมามันเฟกบัได้น่าสารทีกับเลย ข, ขาขาคือปลอยถิมไม่ว่าคือค่าสามารถที่สร้างสืบสอนเอามันเหลือไย่างไล่ะดอกบัวยึดไตน้ำ มันก็เป็นพักษาแห้งป่าและเตาหายถือว่าขันแล้วถือว่ามันมีเครื่องทดสอบอยู่ขันห่อสงสัยว่าตายแล้วศูนย์กายห้ ท, ทราบเถิดว่าบาลมีของห้อนี่ยังอ่อนยังอ่อนหลายอยู่บูสมทนานะสิถือศาสนาพุดธควรบวกวรบวชอีก เสื้อผเหลีง่งถึงว่าบวชจินสีแตกที่ย่งกันซื้อว่าตายเลยศูนย์เหรอพวกเครือข่ผู้อื่นเขาบวชบวชมันผสมทานะผ่าผ่าเหลือยงพระ อ, องค์เจ้าเกิดัที่เขาพระพุทธศาสนาเกิถือว่ามีบาปไม่บุญอยู่แล้วขององค์เจักอยู่แล้วใครบอเสื้อบาปเสื้อบุญถีงว่าบวชจินสีแตกที่ย่ง อันนี้ควดคิดใสเจ้าของความเห็นเป็นอัตตาธิปไตเห็นตนเป็นไงโลกาธิปไตเห็นโลกซุ่มเขาเป็นมิจาทิฏฐิเป็นไงพวกซุ่มเขาเป็นสมาทิฏฐิผ่านว่าออาเป็นอย่างยางนั่นก็เป็นธรรมาธิปไตเด้เราเห็นทำเป็นไง ผู้ที่ถือว่าตายแ้วศูนย์มันก็พอถึงตายเสยหน้าคมสิว่าอย่างไรสั่นเห็นคนบวชกับคนบวชไปอย่างสั้นแล้วพออังค่นทางบินบาดเพิ่น เสืออมักผลในผ่านมีเขาจึงในสางนาทําบุญเสือได้คิดเสือได้ใจของเขาโดยไม่ให้ผู้ได้บังคับควมเลี้ยงชีวิตเหนื่อยผู้อื่นค้นทับตัวเขาเลีย ง, ง า, ย า, ย า, ยางภาพว่าเฮ็ดซอยอาบซอยโยมกระบไดแล้วก็เฮ็ดสะตวัว เขากินน้ำเขาผากน้น้ำเขากุฏิวิหารกับอาศัยเขายันอันพุต้ตีว่าสางว่าแปลงอันให้ไปยุ่งห้องไหม่ว่าเด้พ่อสามเหมอด้ขันพุตีว่ า, น, านึแท่หันแท่นี่แซ่หนันแท้นิถ่ายบาไปเที่ยวหาตีคนเมื่อไนกับวัวทอโตมือนกับทอบว ท, ท, ทอโตทิมพาผาปลาดา้ำแทงสับวัฒนดน มอหนึ en, ่งซิกไปละล่ะมอได้กระซางล้วบออออกซืซ์มาพักที่นี่นี่ยโดนเติบอยู่ได้สิบปีหลังละเกือบถึงยี่สิบปีที่แล้มามาอยู่ยี่ที่แปดเดีมาอยู่ีงไปบัดไหนก็ว่ดทั้งไกไปบัดไหก็ว่ดทั้งไก่ไปเมื่อไปหอดเชียงใหม่ก็ไป ผ so, he he he he he ู้เขาส้นกวงกับปลาปลใส่ปลายปัดคือวันมวยวันทงใจยากบานนั่นสันก็ะเมีนแล้วของตัวว่วเหลื่ยมสได้มาพูดพระธรรมประสงค์ไปเที่ยวพายบาดไปเที่ยวหาตีข้นว่ะผู้คิดผู้ใจโตว่มีเที่ยวบาดเที่ยวพายบาดไปหาตีคนในหนึ่งทิมพลาดป่าพลาดป่าน้ําแข็งเรืองนี้ว่ะสันคนจะขอมั่มีอย่างว่ะไปวันไหกะว่าแต่เพิ่นบัวทอตไปวันไหนกะว่าแต่เพิ่นบัวทอตัวสมิแทตตัวเที่ยวพายบาดไปหาเพ่งตรวจข้นว่ะ หนึ่งทีมผ่าผ่าผัดปลาํำแทงได้หน่ว่าว่าท่านโดนเมนอีลีนั่นบัดสิกไปละเป็นนีเขาโย่ทั่วทีบทั่วแดนเขาเจดจมเขาไปถามเอาเงินค่านี่ชิฟันหัวเขาน่ะเป็นเช่นะน ู้ว่าอาจารย์ซื้อพุทธศาสานามาหอดโม่เฮาพระเจ้าพระสง์ก็ได้ปานแบกผู้เขานั ก, กเอาเบากระสูนพอหวังแกวังเก็บวังตายเลือดทุกยศบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเพียงตีนพระพุทธเจ้า จึงมีหูบคงจักพอพระพุทธเจ้าเคยได้ทานรถท่านรือเคยจะ้ท่านท่านเครื่องจักเครื่องยนต์เรื่องตีนพระพุทธเจ้าจึงมีหูบใต้หุบต่อนพราเคยได้สั่งวัดสั่งว่าหูบพัดใบาตานเคยได้ท่านพัดหูบนกกาละเวกเคยได้เทิเคยได้สั่งสอนคนมีขอบวัด ห้อยตีนพระพุทธเจ้าห่อห้อยห้องโม่ห่อละมีแต่ห้อยคีกมยมีแต่ห้อยมุดทะลุบ่ใกล้กันดิพระพุทธเจ้าสางบาลามีมาสีลสองขายแนมาหากับปัญญาธิกะลงทุนลงแห้งมากก็เห้านี้เข้าเฮ็ดพ่อปันนี้ยังว่าโตอยู่ ด่านท่านก็ไม่ผู้ลืนด่านศีลก็ไม่ผู้ลืนด่านพ่อวานาก็ไม่ผู้ลืนตอนนั้นจังเลยมาเป็นพระเจ้าเขาเขาปฏิสิปฏิบัติบุษราพระธรรมคของเพลน เพื่อที่ให้มันผลทุกนาวตาสงสารแผ่นยังมาถือว่าโ่ไมีบาปไม่บุญอยู่โอ้ยมันกระมัดขบคิดันถือว่ามีบาปไม่บุญถือว่าโมไมรรากพ้นในพานมันได้ตนเด็ตัวได้ดผูเด็ดข้นมาเด็ดใสมันก็ยังไก่วิญญาณปฏิสนธิมัน มันเป็นอุป ป, า, ปาทิกาไปเป็นตนเป็นตัวเป็นภูเป็นคนไปกินแล้วเอ่อยากนั่นแล้วนั่นรับแล้วบ่ายากนะสินั่นก็อยากด้วย่ะเอาทองมาเกิดเอาปากมาเกิดไผมาขามาเกิดเป็นเหลือ่งของไผข้างมัน นั่งยี่มนี่โม่นท้องพ่เจ้าบ่นอ่งย่นี่โม่นท้องพ่เจ้าเันท้องมูเฮ้ามาจะไส่แ่นดินมู้นี่โม่เป็นท้องพระพุทธเจ้าบ่ถ้าพ้นจากทีรดียวแต่พ้นเขาซู้พ้นทิพย์วาดมุดนี่พ้นทีท้ำล่ายค่ายฉีโมกหาหมูเฮ้าหอยมือกขบ่ลึกคนขึงุนเพล่นเฮ้าว่ามันบุนวัดสนาโตมีหน่อยก็ว่ามันบุนวัดสนาโต้เสรบ่มีหลายก็ว่ามันบุนวัดสนาโต้เสร็จบ่แล้วของเพนมุน่ของพระองค์เจ้ามุน่ เล่มกลางเพ่อนน้ำห้อยเพลินขันเล่มกลางเพนด้กก็ต้องนําห้อยเพลินขามายูองค์หนึ่งสององค์มันกับอะไรเฮ็ดหลายทำเนี่ยมันหินยู่คงเกา่ามันก็ต้องอะไรเฮ็ดหลายมันไปบ้านใหม่ก็ได้ไปเฮ็ดขึ้กันไปยูโฮมใหม่เอาเด็ดเดียวเดียวบังรู้สมัยสมมิเนี่ขันไปได้เพาอาสามโฮม ไปกันเขาไปแห่เรียกนี่แหละฝันยังไงคูบาพู่หัวเออเคือสมัยหลวงปู่หมันนด้สมัยหลวงปู่หมันโอ้ยเสียหากินหายท่านยังไงเนาะฉันไปเที่ยวมันจังสีด่กุศลพ้นบุญเขาน่อยสันตัวเขาเขามาหาสมมอฝันยังไงส่วนตัวือทีมันเลีกนั่นเลีกนี้แถอะสันตัวมันได้ดีมันไดพ่ออยู่ขาเจ้ากับไปอยู่มันได้เสมอ ไปเที่ยวกับไปเที่ยวน้าสํานักกันแล้วไปเที่ยวน้ำปลาน้ำเมืองน้าเขาไปปล า, ปาไปเมืองเขาเขาลือๆ ก, ก, ก็ไปเมื่อไรเทระคนปลากรับมีรัฐบาลก็สงสัยอยุผู้นึงผู้เดียวเด็ดเด็ดบุโดคือหมอนึ่งมาว่าอยู่นี่หละมาน้องพอกขาน่อยบวชเขาหน่อยอยุย่งซีรกเขานอยจะไปผู้เดียวมาเริ่มเปิดๆแ เ, เ, เออจววะจไปเลวะไปเืองพม่ไปทำอไรคุนสาี่จับหัวทำไโถ ไปเจ้าไปบังลู่วะเจ้าถิ่เก่งพวกาอนนี้เ<ป>จ้าบุ่จัอีกอย่างวะไปพูดเดียวบังทำไมเจ้าวะรัฐบาลว่าสงสัยกับพวกขุนป้าสงสัยคือกันแล้ววะถือจับแล้ววะจะไม่สมือ น, นี่วะหาว่ไรลกป้าไปเที่ยวไปเที่ยวนําสํานัำำนกอนะจไม่สมือ สำนักใด่มันบมาสรา์บมแปลงมันเกิดมีน้าอันไดสันกันโสร์โมแปลงมันเกิดเป็นของทิพย์ขึ้นเพื่อเมื่สวันเนี่ยมันบุมนี้ได้ยังเนี่ยหลวงปู่มหาบัวหลวงพรตาแดดถูกเล็กยอมก็เห็ดําอยู่กอาไว้หลวงปู่มหาบัวละเค้งกขมู่ในเรื่องนี่ในเรื่องบมาสรา์โมแปลง แต่เพิ่นเกาะเฮต์มีโคตาเยอะเลยลูกพยาบาลก็เป็นเพิ่นสางอันนี้ก็เป็นเพิ่นสางวัดวัวใต้อ้อมวัดมุ่นเงินมันมากเพิ่นกเกาไประเฮ็เงินมันมากเพิ่นกเกาไปรเฮ็ดหลายวัด้ะเพิ่นสางสางหอดลงเลียนไทยพวกภาษามันเกิดว่าจังไรสะ์ะ ป้าผูกเล็กอยู่ต้องปู้มหาผูกเล็กอ้อมอ้อมวัดนั่นธรรมานบปสั่งวิหารอยู่ในมนุษย์โลก มีมาตนเกิดขึ้นด้สวรรค์ผลอันนี้สำหรับผู้ขากับพรด้สว่างหลวงสวรรค์สั่นพ่มพิาัางดอกร้องผลทุกในวันตาสงสารเหน็นแลเฮ็ดนักแต่ทางเฮ็ดเบ า, าก็กตามเก็บก่อนหินแต่และก้อนบูชาพรนิพพานผลบ่ได้บูชาในวันตาสงสารนี่ดอกจตนาคนละอันพุทโธธรรมโมสังโวานี่ผ้านั่ง หลังผลทุกหน้าปัจจุบันนีศาสตร์โหลดนันสินักก็เบาก็ได้ยังไ้ทันทอนบ่ออกปัจจุบันนิตปัจจุบันนีรมส ร, รุดพ่นหมักกอบกุหลาบเสน่ะดูตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ่นตามเป็นจริงยึทุกมือาพมิฬมาณนั้นก็ขาดเธอโหลดการท่องเที่ยวในวัดตาสงสารนี่ย่านไหนมากอีก สิ่เงินเวซาแคบวซ่าลาบทั้งเห็ดทั้งท้ำทั้งเก็ดทั้งลาบทั้งกินทั้งขี่ทั้งเก็ดทั้งลาบทั้งนังทั้งนอนทั้งเก็ดทั้งลาบนี่เจตนาลงเบื้องต่อเท่านะ้นเจตนาลายบอลมันกับปัญหามันกับจะขอมันกับลายบอลนั่นแล้วเท้าผสงสัยว่าสิบสิบขาลาบเห็เด้อ สงสัยว่าจะไปเ็ดอันนั้นแน่สงสัยว่าจะไปเห็ดอันนี้แ น, น, น, น, น่ปัญหามันกระายแล้วยุงจะค้องเขาใช่หมฮยุงจะค้องเขาเลก็เที่ยวพาาบาตหาเพีง่งโทษทุกอื่นทันแล้วบัตรนั่นนันนน่นกับบอดี้นักนี้กับบอดีคือกันแหละจา ก, ก็ตัวดีปันไหนมาเบิงจะคข้อง กิตตนาผลทุกเนวตาสงสารเนี่ยข้างนักก็เป็นข้างเบาบุตเอาโลดเขาบข่กห้องบอกไปขาดซัดตัดชีวิตเด้สมากกำมันโตเด้เวีนจากกายยุจิริตสามเถอะขาดซัด ร, รักษาประพฤติพิษในกามเดีวยกวก็สมากับมันตกเรียกว่าเวีนจากขาัตั์รักษาประพฤติพิษในกามเนี๋วยวสมา ร, กร์กกำมันโตสมาอาชีวะเรื่องชีวิตชอบ โบเลียงบหลอกล่วงเขาเลียงชีวิตสมาวายาม่เพื่อนชอบเพื่อนในที่ที่เพนอยู่ที่ที่ทสถานเพื่อนระบาบพวกให้เกิดขึ้นในสันดานเพื่อนเพื่อนให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน เพียนรักษากุศลาาที่เกิดขึ้นแล้ว่พห้ยนเสื่อมเพี่ยนระบาบที่เกิดขึ้นแล้วคนเพี่ยนในทางภาษศาสนาสัมราสติร้ลึกสอบรลึกในทางกุศลพ้นบุญ ถึงกายเวทนาจิตทำกลายเป็นของโมหนบเทียงเกิดขึ้นแล้วแปรปวนและแตกสลายเวทนาขาเป็นของโมนมเทียงเกิดขึ้นแล้วแปรปวนและแตกสลายสัญญา้เป็นของบเทียงเกิดขึ้นแล้วแปรปวนและแตกสลายสังขารที่ปุงแต่งแห้งิเกิดขึ้นแล้วแปรปวนและแตกสลายนิ่ญาตเกิดขึ้นแล้ว มีน่าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งกายสรงลงไปเกิดขึ้นเนี่ยแปลป่วยในแต่สลาคือกันมนุษย์โลกกับกิเ ล, โลสโลกชัดโลกกับกิเลสโลกเทวดาโลกกับกิเลสโลกพุทธมโลกกับกิเลสโลกกันเดียวกันกันบอกมีกิเลสกับบอดี๋มาเกิดแก้เก็บตาย พี่จะหนาควาตายอันเดียวกด็กำลัง่คือกานละลาะพี่จะหนาควาแกอันเดียวก็ได้กำลังคือกานพิจน้านั้งอันเดียวก็ได้กำลังคือกันไปหการบดบูชาพระพุธพระธรรมประสง์เมืบูชามรคนพาดมในท่าดีในทา่นทานัวนกกับบูชาพระเทวทัตกับมหาวิกีนรกพุน ถือเฮาเฮ็ดอันหนคือถือว่าเป็นท้องเฮาอะไม่กับปุซาเกลีดเนะี่ยถือว่ า, าปุซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อผลทุกข์ในวัฏสงสารเสีล้วเมื่อเรื่องถือว่าเนะป็นท้องเฮาข้องเจ้าของ่อยเยแล้วปัญหามักรายกันแล้วเฉพาอไอแม่กวย ถือข้าเฮ็ดไทยผู้นั้นถือข้าวเฮ็ดไทยผู้นี้ถือเป็นขีขาผู้นั้นถือเป็นขีขาผู้ น, นี้นนนก็เป็นขีขาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สลักกระล้วดอกนีไ่ไปเป็นขีขาผู้อื่นไหมเป็นขีขาขี้เหร่ท้องเจ้าของกับแมน่นห่าบ่แม่นระวังจะเป็นขีขาขีเลร่ได้เหตุบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุ่นเหตุ <c oughs> หยังคือการบดอยื่เหนื่อนั่งนอนรับตื่นนึกคิด พรวนาพูดโทคกวนเดียวกับหวังบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุ่นแล้ว่าวังราวสิบมากเกิดแก้ก็บตายอีกเจตนามันยังลงไปปุ่นอ่ะมันก็ไปแล้กันบเนี่แม่เล็กมัไปปุ่นหัวจักมันไปพุ่นหัวจักใหญ่มันไปปุ่นเฮ็ดน้อยก็เป็นหลายเฮ็ดลายเป็นแห้งหลายท่านหน่อยก็เป็นท่านลายรักษาศีนหน้อยก็เป็นรักษาศีนลายภาะวนาน้อยก็เป็นภาะวนาหลาย ขงนนองเล่ยๆยั้งเป็นของหลายหลายไปทั้งเจิตนาคุณลุนบุญเพื่อผลทุกข์ในวัฏสงสารทุกอันเลยยึดยังลงพุ่นคิงนิ่งรลดบเดียวหัวจักะคิ้วมันยังลงพุ่นรลดบม่ว่าศาสตรนาศาสตไหนล่ะมันทีทุกข์กับยากมันทีกิเลสมากก็ไม่เห็นไม่สร้างจะทำมหาสมุทรลอยกัวก็ตามทางหวังผนทุกข์ในปัจจุบันนะา ของสอัตว์อาโณเมื่อจ่าบาทเดียววิาจากหมืมันไปไส่บุมันหมดเนมาสั่งเด้รู้ดีอยู่แล้ววัดตาช่งซานอันนี้มันเป็นทุกข์มีกับมฮันต์ไปติดมีเสียกับมฮันต์ไปติดเสีย พอ่อหลายปีตายตายถ้ากิเลสไข่ละบอกกิเลสเป็นบัตายมันเกิดอีกกิเลสไปทีตายด้วยปัญญาเบื่อนายไข้เม่าในวัาตาสงสารมันก็ตายเท่านั้นันบเบื่อนายค้เม่าใวตาสงสารมันกับว่าตายกิเลสเห็นโทษในวัาตาสงสารอย่างเต็มทีคนละ หน่อยข้อยกายท่านร้ายข้อยเวนเฮ็ดหน่อยกข้อยกายเฮ็ดล้ายข้อยเวทเดี๋ยได้มาทางเที่อในวัดตาทางสารอีกเอาเฮ็ดขืนกับชางอันไีนก็ตามถือบูชามาคนที่พลาดบดอุดลูดเอารด เลือดทุยศกับยัางศิบูชาพระพุทธธรรมประสงค์พันธุพานอยู่มองสเอาโลดพันธพานตายอืดเลือดบ่จังไปบูชาเพลนบ่ดือดควพ่อไก่อยู่ว่าอย่างไรถ้าพที่เจ้าเพิ่มดอกไม้บ่จังไปบูชาเพนบูชาคุ่นเพนเพื่อมักผลนพานเพนเห็นหงหจังไปติดไตเทียนเพลินบูชาเพลนบูชานิดิขอบ่บูชาขุ่นเพลน เพื่อมครคนิพพานเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารนี่อมิสาบูซากตา็ตตมปฏิบัติบูซาก็ตามเลยโอนถึงพันิพัทธ์มัดโอดหลดเอาโลหล ด, ดเมื่อทุกยศไข่ทุกยศเมื่อทุกยศทุกขเวทนากอดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาพอ ด, สอ ด, ออดีสิบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อคนทุกขในวัฏสงสารเบิ้เบิ้ลต้องเอาไว้ว่ต้องกักตุนไว้ล่วงลวงเลยคือนน้ำไหลนี่ล่วงผลล่วงผลโหลด มันก็สบายใจเท่านั้นแล้วมันก็ผสมใส่ในปัญหาเจ้าของอีกสั่งชีวิตลวงไปเทไดสิบุษะพระพุทธพระธรรมะสมถนัะยังสิมาทางนากัสีบุษะพระพุทธพระธรรมะสมถนัดอยู่ในปัจจุบันกับสิบุษะพระพุทธพระธรรมผสมอยู่ทุกเมือเแล้อลึกได้บุลึกได้ก็อีขูกขาดจองขาดไม่บ่อยเหยียบย่ำผอม มถอดคืนมาสงสัยสิเกียแตหนาภรณ์อืน่นพุทธแท่แทำแท่สงแท่คือพระนิพพานละ่ะบูชาถึงพระนิพพานพนมื่วสิเหตบูชาเทวโลกพมนโลกไมยังหลอกอันใดก็ได้ไพุโทโธคือกันบนพุโทโธมนุษย์โลกบนพุโทโธเทวโลกบนพุโทโธ ผู้โทษนี่พานทมโมในี่พลานัางโคนี่พลานพนท่านนิพพานศีลนี่พลานพ่ อ, พอนานิ่พลานพ้นกุฏิวิหารพระนี่พลานพ้นได้ว่าสะม่เป็นเพอยุนโมนี่อีกทิมขีหินก่อนหนึ่งกัสิบูชาพระนิพลานพ้นพร้อมทุกล่มหายใจพร้อมทุกคณะคิดพุ่นแลลกได้เลิกได้ก็ดี ลงมันพุ่นโหลดปรเดี๋ยวหัวจับมันดึงไปพุ่นหัวจักมันมีกําลังแล้วมันสีดันไปใช้ได้คือที่เหนือแ่ะมันมีกําลังนะแชมป์ทีสมีท่าได้ปกติขิงนิ่งโหลดคือแม่น้มฮะสมุทรทะเลนะมันมีกําลังกลัวแม่น้ำทั้งหลายดูดแม่น้ำทั้งหลายลงผุ่นบัดฉันได้สุดกัเจตน้านักลงไปยังสั่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันกระจาลงผุ่นปัดเอาโหลด ผลผลกับวัตถีตนตายก้อนไข่พุทธทคตมนหนึ่งกับพ ร, พระนิพพานคือการหันล่ะน้องเพื่อ ผ, ผลทุกข์ในวัาสงสารล่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือกัรปัดในทางที่มันบมเป็นโทษในทางที่ดีนี่เกียรตนาวายงังสัตปัดตาบาหนึ่งกับบุษราพระนิพพาน เพื่มาผลนิพพานทั้งนั้นปัดเหื่อนบาดนึงกระซังปัดกุฏีบาดหนึ่งกระต่ำบูชาพระนิพพานทั้งนั้นกินเขา่าสิสันขา่าสิสันหน่อยสั้นมากกเพื่อบูชาพระนิพพานเพื่อผลทุกนาว่าตาสงสารโดยดวนอ ย, ยู่ตกงมือเทเมตตากรุณากเพื่อพระนิพพาน เป็นถ้ำอันมอมีเว้นเป็นถ้มอันมอมีไพ่เป็นถ้ำอันมอมีศัตรูเป็นอนัตตาถ้มที่มอมีเว้นมีไพ่เป็นขันธ์ถ้มที่มอมีเว้นมีไพ่เป็นมรที่มอมีเว้นมีไพ่เป็นผลที่มอมีเว้นมีไพ่ไพ่มีทลายเว้นมีทลายศีระงับก็หายไปสีรษะอดสีบษผูกสีรษยอมหายศีรษะยอยหาทุกเมื่อ จะแพร่จให้แพร่ซะให้เป็นพระชนะเป็นมารนินท่ากาเลเทน้มย่อมห้ยแทะมาเป็นญาติเอาดังได้เอาห่อไปพระนิพพานุืนแันเสิสุขทุกอเบียดขายังก็ตาม มีลาหนึ่งมอีลาบหนึ่งมีหยดหนึ่งมียดหนึ่งนิ้นท่าหนึ่งสารเสรหนึ่งสุกหนึ่งทุกหนึ่งพอจากไหนก็หอบเอาหอบไปพิพันพุนพนิพัน์มันยากิมไว้นี่ท่มได้โลกนี่พอาะจากไหนก็ใส่รถไฟตะขายเอาลงพุนเนี่ยมันจากไหบ่ลงพุนบ่ได้นัที่โลกอันนที่ตัคนบ่ถือนินท่าม่มีในโลก หายภาษาลิบุตประเทศคนผ่นิ่งท่าอุย้ยเทศแต่ประลมัดเพราะว่าเออให้พระอานุตประเทศโอ้ยเทศแต่พระสูตรเพราะว่าออหาพระโมกขล่าประเทศอวดเตลิดเตเลเดจจะของเพราะว่าพุทคุแต่มันถือแก่ข้นหมืนมันว่ถือดอกถือว่าถือกระชังกิตเท่าย่างถึง พ, นพลลลันิพานโลด พระว่ไปกัน้อนตายอยน้เกตนาพาระวิ่งไปขิงนิ่งล้มพุ่นซักขิงดิ่งโลดเริ่มหายใจเข่าบาดนึ่งกับปุษาพนิพานเรมหายใจออกคังนังกับปุษ า, านิพานความรูกความเห็นทุกยิงสิ่งทุกอย่างกับปุษาพนิพ่านเลย ในทางที่มันชอบอ่ะในทางที่พิษผมว่าว่าเอาบูซาดอกบูซาได้เพิ่นกับบรับดอกแฮงมีอุปสักคเหมือนเฮีคิดลาบดิฮะเนี่ยค็ดลาบในวัตตาสงสาเลยเฮียงเฮ็ดกับฮงเบื่อแฮงนายได้ว่ามันติต <ifications> ิดอยู่ได้สสมอเนี่ยอันไหก็ได้ว er ่าแฮงนึกเฮงคิดเหมือนแฮีงเบื่อแฮงนายได้เดียวเนี่ย มันเปนสีนึงสิคิดเพื่อสิติจิตอยู่ได้เดียเนี่ยมันเสีเทศเพื่อสิติจิตเทศมันเปนสิฟังเพื่อสิติฟั่งได้เดยอเนี่ยยังถึงพระนิพพานพุนมันมาเกิดแก่เก็บตายพุนมีกับมันสิติตมี่มัมีกับมันสิปฏิจิตมัมีได้เดีเนี่ยึงฮัดไปงันสั่นได้เดีเนี่ย นึกว่าทีฮัดติดได้ติดเสียอีกยังได้เดียเ๋ยวนี้บอกองค์สันเอาโหลดว่าติดอยู่บนได้บรร้ามันเสียปฏิติดเสียอยู่คือการหั่นแหะัะติดอยู่บนเข้าย่องบรรทาเค้าวตีปกปฏิติดตีอยู่ซ้ำเก่าหั่นแหะบรรทาติดเกิดปฏิติดตายอยู่คือเก่าหั่นแ่ละ หาติดกินหมดทติดขี่อยู่ทั้เก้าหันละ่ะหาร์ตให้ติดนั่งกับทติดนอนขึ้นกันนั่นแหละสิว่าให้มันติดจักอันเหงืห่จังว่แล้วใช่ไหมกับเบาางละจิตอ่ะมันเป็นการฮาเอาว่าจัางว่าหัด เพื่นมีไปขี่หึงเพื่นประกาศว่าของไอ้โมนันว่อยู่ใต้อำนาจอนนี้จังเห็นผู้ทุกคนไปยันซ้ำมันบมันเห็นคนเห็นอย่างสั่นทุกคนก็จตายที่กันมีมันก็ตายที่กันแหละมันก็เป็นเพลเป็นพีมาอยู่ในวัฏจักรงสารในสัมกเอาละ ว่าอันนี้จังเป็นเจ้าโลกกระถึกว่าข่มหลงเป็นเจ้าโลกกระถึกเพราะนิพ่านโมเดมาหลวงน้ำนี่พันิพ่านบมได้มากินมาขี่โมได้มาตีมาส้มน้าดอกมันตีมันส้มมันกินมันขี่แต่โลกทั้งศาลอันนี้แหละมันตีว่าดีว่าสัวว่าถือว่าพอถือพันธุพ่านโมเดมาหัวมันดอกโมได้มาตีมาเตียนดอกโมได้มาส้มนําสังขาเนี่ยเป็นจริงตามสังขาเที่ตามเดิมเลย พระนิพพานกัเป็นจริงยุพระนิพพานนี่ตามเดิมมัมาเป็นสองข้ามกันดอกกับสังขารมันอาเป็นสองข้ามก็ฟองถูกดอกเมันมาเป็นสงข้ามก็เกิดแก้เค่จ่ายนึกคิดได้เสียตัดสะานกันแล้วสิ่งวันนี้เป็นหน้าที่ท้าบพุทธจุ้งหุ่จักมัดที่พี่จะหน้ะมัด เอใช่ที่ยวมาจกตากันอยู่ในวันจ้าสงสารนี่กเ็เลยได้เจอะกูจังสั่นมึงยังสี่อยู่ซํำเก่าหะแหละใส่สาสตรใส่กรรมยังบิดพทิวต้องสู้เป็นนีโลภเป็นนีโกรธเป็นนีหลงจะคข้องจะต้องสู้ใส่นี้ให้มันบด เป็นนีแก้เป็นนีเก็บเป็นนีตาใส่กันซาดเนี่ยซาดนี่มีตรได้คือใช่กันซานี่ละรองสั่นเอาโลดใส่กันทำไมแล้วมันทัวร์ซาดซาดนี่ทุกปุ่นนก่คเอามาใส่ซาดนี่ละรองสั่นเอาโลดกทมาก็เป็นที่เปใ่ทองมหาสมุทรลอยปูดมหาสมุทรกระซังล้านกระตามอสงไข่อาสงไขก็ตาม ใส่กันในชาตินี้ใช่มันแลี้ยใส่นี้จะของกับเอ็นบลบมันใส่เลือดมันชีขลาดออกเงี้ยวไป น, นี่เป็นเมื่ออดอนผุดใส่กันในชาตินี้ละเอา สั่นเอาโลดพี่น้องเอ้ยนี่น้อถาวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บัดอ่อนรับข า, บห า, ามหยาละค่อมคิดอันไดนก็คือกัน ใช่ซาดกันได้ซาดนี่แถมมันจบซะงั้นสมานึกมาคิดอีกจะมาสุกมาทุกอีกในวัราระทงศาเนี่ยงั้นจะได้มากินมากี่งั้นได้มานั่งมานอนติดนั่งก็ติดนอนคือกันละ่ะติดว่ากับติดฟังคือกันนั่นแหะพ่นจากว่าวพ่นจากฟังคือกันนั่นแหะพ่นจากได้กับพ่นจากเสียคือกัน มูนี่มันเป็นสังขารเบิด น, น่ะเกิดแล้วมันกระรับไปเบิดอันนี้คือกันเบิดในวัตตาสงครามน่ะนี่วามั น, นท้องไผ่ดอกของสังขารถ้ำมรค น, นิพพานกัของมรค น, นิพพานเมือนมรค น, นิพพานเฮาผู้เดียวอ่ะเป็นของกลางเ่งสิทธิพัดไดตัวไปไปจองไวสงนน้สันมรคนิพพานสังขารไปจองไวไ้ไม่ไมไมไมไมว่ามันท้องไผ่สันเป็นของกลางที่ําเก่า ในวัตตาสงสารนี่มันวัตตาสงสารผู้ไห้สัทก็เป็นวัตตาสงสารของเก่ายุสมเก่าฮะเลยพละนรพาดก็เป็นพระนิพาดคือเก่าหลยมัไปจองไว้ว่าไม่น้องไปอกสงสารอรรถว่าสินสมรู้ปัญญาท่านสินพวนาคือกันเอาไปจองไว้เกลือควาเข้มไปจองไว้ไปกีบนก็เข้มคือกันแล้วควาเข้มมนยอะนําข่อยไปเอาไปกีบเกลืออ้มาขอน้ำข่อยะกอนเดิมมันจังติเขมสิว่างสั่นบอกบออออกแล้บันนั่นสังขารน่ะ เห็นหมอกอาจจะพักกันนึกไปเนี่ยอื่นมหมมันปัญญาปัญหามันหลายให้นึกถึงพระเนี่ยพลาุผลให้นึกถึงบนผลทุกข์ในวาระทสารพุรนผลมันอันไรก็ได้ แกได้มาท่องเที่ยวอีกแกได้มาหันใจเขาออกอีกแกได้มานึกคิดอีกกลางสัน่นเลยสาวมารมีบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีเธอได้จะเอาบูชาเบิ้เดือดเนี่ยยี่ยอมเป็นขายเป็นถาดยึดทุกเมือไปเที่ยวเอี่ยงหาถึงแกเพลงโทษคน มันบนไหนสันบนพะวานนาสร้างวอกเนี่ยมันนสันบนมันผิดบุญนึเอาเรื่องผู้นั้นมากเขี้ยวเอียกนึเอาเรื่องผู้นี้มากเขี้ยวเอียกตัวจักว่าดีประไดน